แล้วใส่มีท่อสายยางยาวไปนู่นเวลาสายมันพับที่ใดที่หนึ่งเยเปิดน้ามันก็จะหลุดถ้าไม่หลุดท่อมันก็จะปรีหรือแตกแต่ส่วนใหญ่มันหลุดถ้าท่อมันดีมันก็ไม่แตกง่ายๆหรือเม่อนั้นน้ำก็หยุดไหลไปเลยมันไปแตกกันู่นข้อต่อที่ไม่แน่นนู่นฉันใดก็ฉันนั้นว่าการขับเคลื่อน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 ทีนี้ตอนเช้าเนี่ยพระท่านพาสวดเรื่องอะไรนะจําได้ไหมมาได้ยินแว่ ว, วจากนู้นยังจาได้เลยเรื่องธาตุสีใช่อหมธาตุสีปัทวีธาตุอาโูธาตุปายโยธาตุเดโชธาตุให้พิจารณาร่างกายด้เห็นเป็นความเป็นธาตุแต่ เ, เราเห็นว่าเป็นอะไรเป็นเรา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 ยกมือหลวงพ่อจะได้ให้แกอธิบ า, ายว่าการทางานของเครื่องยนต์เป็นปยมพรรษาทางหพี่จนะ <c oughs> โจ๋นะอ๋อหลวงพี่โจ๋พี่จ๋นี่ชนานาญในเรื่องไฟฟ้านะมันํานาญในเรื่องรถมเรื่องเครื่องยนต์ น, นนะคุณรู้ภาิ์ว่าไงชนาญเรื่องอะไรบ้างเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์นะน่วิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องถามวิทยาศาสตร์การแพทย์แล้ววันนะี้แต่ว่ามันละเอียดยนินไปเนาะจะเอาช่างยนต์มาเห็นง่าย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 กฉุดฉีดมันเคลื่อนไหวได้ไงก็เป็นสุญยากาศครนะับเป็นสญกานะมันละเอียดตรงนั้นนะองพ่ อ, เ, อเคยอธิบายตัวอย่างเรื่องรถ ด, ดีกว่าว่ารถเนี่ยในห้องเครื่องขนงมั น, นะว่ามีน้ำมันฉีดเข้าไปในห้องเครื่องแล้วก็สเกตไฟเข้าไปทำให้น้ำมันอ ะ, อะไร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 ดินน้ำลงไฟเขาเลยยะมุกปฏิหารให้ไปศึกษาเรื่อ ง, รงพระตัดปิกในเรื่องนี้ก็แล้วกันนะใครต้องการรายละเอียดไปดูหมดยะมุกปฏิหารแต่ว่าเราไม่เข้าใจภาษาปิดกก็อ่านไม่รู้เรื่องหรอกฉะ น, นั้นเมื่อไปอย่างนี้เราก็ดูกายกับใจลูกกับนำ้ำในฐานะคือการเปลี่ย น, ปยนแปลงแตกดับตลอดเวลาแล้วที่ไหนจะเป็นเราที่ไหนเป็นฉันที่ไหนเป็นคุณ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 ด้วยความอิ่มเ อ, มอิมใจว่าโอ้นี้พระพุทธเจ้าท่านมาพูดด้วยแล้วก็ให้กําลังใจด้วยฉันตั้งใจทําเต็มที่เลยเชื่อเพื่อถึงตกใบตกใบผ้าที่ขาวใสใสใหม่ๆนี่นะมันกลัเป็นสีหมอโมแดงแดงท่านถ่ายรูปมาไม่ได้สังเกตเลยนะมีแต่รูปอย่างเดียวนะ่ะลูปอย่างเดียวพอตกบายดูเอ้าวผ้านี้เช่าสีใสาขาวตัวนี้มาทําไมมันมองมาแดงเป็นไปได้ไง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 วิ่งหน้าตั้งมาที่ที่งานไม่ใช่พระองค์เดียวท่านมีพระเต็มวัดเลยเนี่ยเอาไหนวะงั้นเอาพูดเรียกว่าเอาองค์ชื่อว่าจุฬาบรรทุกพี่ชายจังเอ๊ะก็จุฬาเราถูกเราไล่ไปสิ้นในช้าแล้วทำไมยังอยู่อีกเอาองค์ชื่อเรากลับไปอีกรอบหนึ่งไปถามพระองค์ไหนชื่อจุฬาบรรทุกครับไปถามองค์ไหนก็ชื่อจุฬาบรุกหมดทุกรูกเลยไอ้นี่ก็ง ง, งวิ่งกลับไปอีกนี่จะพระชื่อจุฬาบุกเต็มวัดเลยเขาวะงั้น เอาองไหนเพื่อเธอไปไม่ต้องถามเธอจับแขนโ อ, อเลยก็นีมนมาเลยว่าไงพอกลับไปรอบไปจับแขนเชื่อจวนถกใช่ไหมครับใช่เอ็จุงมาเลยปรากฏอีกทั้งหมดที่ปรากฏเตรียมวัดหายพุ่ไปเลยโอ้พอมาแล้วเรื่องนี้พระเจ้าก็มาเล่าให้พระฟังว่าคนที่ว่างโง่ที่สุดมันไม่ได้งโง่หรอกแต่ว่าอาวิชาที่มันหนาไปหน่อยนึง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 นะเพราะมันเป็นกรรมสัทตตาอันที่สามอันที่สี่เรียกว่าตถาคะตโะพธิสัทธาว่ากรรมเหล่านี้จะหมดไปได้ด้วยอาศัยการความรู้ที่พุทธเจ้าตรัสรู้มาแล้วอาศัยโพธิปัญญาของพุทธเจ้านี่อ้เป็นอย่างนี้เองให้มีศรัทธาแล้วมีศรัทธาอย่างนี้เวลาจะทำอะไรก็จะมุ่งแต่ทำในสิ่งที่ดีๆที่เป็นประโยชน์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 ตัดไปทําแล้วมันไม่สบายก็ตัดไปคิดแล้วไม่ดีก็รีบตัดทันทีวิความเพียรในที่สองเรียกว่ป า, าวประหารนประทานความเพียรในที่สามสิ่งไหนรู้สึกมันดีรู้สึกมันสบายรู้สึกมันถูกต้อง ร, them, รู้สึกมันชอบทํารู้สึกมันปลงเบาสบายให้ทําสิ่งนั้นบ่อยๆพ่อคุณสิ่งนั้นบ่อยๆทําแล้วมันรู้สึกรู้รู้นรู้ตัวทําสิ่งนั้นบ่อยๆเรียก ว, ว่าภาวนาประทาน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 เราก็มาดูง่วงเกิดเพราะอะไรง่วงเกิดเพราะเราติดสบายมาก่อนเราชอบใจเราติดสบายเวลาไปทาความเพียรมันไม่สบายใช่ไหมมันก็เลยทาให้ง่วงเพราะเราไม่ไม่อยากจะอยู่กับอาการอันนียมันก็ง่วงเพราะเราติดสบายมันก็เลยทาให้ง่วงแต่ถ้าบางคนไม่ได้ติดที่สบาย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 พราะนั้นราคาโทสะโมหะก็เกิดมาจากตัวนิวรา์ห้านั่นเองตัวราคะเกิดจากกามะฉันทะตัวโทสะเกิดมาจากตัวพยาพาทะตัวโมหะเกิดมาจากความง่วงความฟุงซ้าและความลังเลยสงสัยตัวโมหะอย่างเดียวรวบสามตัวเลยราคามาจากกรรมะฉันทะโทสะพยาพาทะโมหะง่วงฟุ้งซ้าลังเลยเป็นตัวโมหะทั้งหมดเลย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 เพราะฉะนั้นเราไม่ประมาทขนาดนั้นเราก็กรตุต้นความรู้สึกตัวทุกพราะไมชัดเจนเวยก่อนตรงไหนไม่ชัดเจนให้ชัดอพอตรงนี้ชัดเจนแล้วพวกสตูเข้ามามันเห็นแล้วมันถอยเลยนะเพราะอาวุธของเราดีกว่าคือความรู้สึกตัวทักขพร้อมชัดเจนมันเข้ามาก็ดับนะดังนั้นเองอันนี้ชุดนี้ต้องเอาไปศึกษาให้ดีเรียกว่า